3.15 ถ้าจิตไม่มีแรงให้ยอมรับสภาพและรู้ด้วยใจที่เป็นกลางถ้าเมื่อไรจิตเราไม่มีเรี่ยวมีแรงนะทอแท้ป้อแปรถ้าเรารู้แล้วเราพยายามแก้ไขเราจะแย่เลยอึดอัดขัดข้องไม่มีแรงหรอกแต่ถ้าใจเรายอมรับสภาพมันไม่มีแรงแล้วมันไหลไปอย่างนี้รู้อยู่อย่างนี้นะรู้ด้วยใจที่เป็นกลางใจเรายอมรับเออไม่ต้องดิ้นออกมาก็ได้มันเป็นอย่างนี้แหละ ยอมรับมันตรงที่ยอมรับมันนี่ใจจะเป็นกลางมันจะดีดผาดขึ้นมามันจะมีพลังขึ้นมาเลยมันจะไม่ไปดึงคืนมานะสมมุติว่าเวลาเราไม่มีแรงใจมันไหลไปใช่ไหมมันไหลไปนอนแช่อย่างนี้ให้เรารู้เฉยๆเราไม่ต้องพยายามไปดึงใจคืนมาถ้าพยายามดึงใจคืนมาเนี่ยใช้ไม่ได้หรอกไม่มีแรงพอที่จะทําอย่างนี้แล้วก็ห้ามทําทําไปแล้วไม่ดีถ้าเรารู้ สมมุติว่านี่ใจเรานะมันไหลไปเกาะอารมณ์ใจไปเกาะอยู่นี่หมดแรงแล้วถ้าเรารู้นะไม่ทําอะไรเลยรู้ด้วยความเป็นกลางจริงๆใจมันจะเป็นกลางเป็นกลางมันไม่ต้องเลื่อนมาแต่มันเหมือนเป็นกลางอยู่พอดีแล้วไม่ต้องไปดึงคืนมาเลยเป็นกลางพอดีเป๊ะเลยเป็นเรื่องที่แปลกนะทีแรกมันเหมือนหลอกเราว่าจิตเราไหลไปเพราะเรารู้ด้วยความเป็นกลางจริงๆปรากฏว่ามันสลายตัวไปเรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องดึงคืนมา เพราะฉะนั้นไม่ว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นให้สักว่ารู้สักว่าเห็นลูกเดียวเลยมันกลางของมันเองแต่กว่าจะเข้าใจตัวนี้นะสู้กันปางตายมาแล้วอันนี้เป็นโน้ตฮาวในวงเล็บความรู้ว่าจะทำอย่างไรที่แจกให้ฟรีๆไม่ได้เก็บสตางไม่ได้ไปจดลิขสิทธ์กว่าจะรู้ได้ว่าแค่ยอมแพ้มันนั่นแหละอย่านึกว่ากูเก่งนักเลยกูไม่เก่งจริงหรอกถ้ายอมแพ้มันได้นะใจก็หลุดออกมาเลย